สมสาธยช่วยในคนทุกมุทิทาความพรอยัด น, อนดีเมื่อผู้อื่นในดีอุเบกขาความบางเฉยไม่ดีใจไม่ใช่ใจเมื่อผู้อื่นถึงความมีบัติถ้าเหลือวิสัยแล้วก็อุเบกขาเช่นพระเทวทัตยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพระบรมศาสดาไม่เมตตาเมตตาอยู่แต่ตําของพระเทวทัศ์มันหนักก็เลยอุเบกขาทีนี้อุเบกขาในพรห ม, มวิหารก็อุเบกขาในสัมโพธชงมันก็ต่างกันสัมโพธชงอุเบกขาในสังขารท่างฟวงเกิดดับอยู่ก็เลยวางอุเบกขา คุเบศขาของพระนาหันคือไม่มีเจิตกวางเฉยใช่รูปเป็นเกษตรูปเสียงเป็นเกษตรว่าเสียงหูเป็นเกษต ร, ตรว่าหูกลิ่นเป็นเกษตรว่ากลิ่นจมูกเล่นอายตนะภายในภายนอกก็จริงตามอยายะตะภายในภายนอกแล้วท่านก็ไม่มีโรคโกหลงอันใดอันนั้นชะลังคุเบศขาของพระนางหันเป็นแบบหนึ่งส่วนเมตตาของพวกเราเมตตาในพ ม, มโลกถ้าเมตตาพ้นจากที่เด็ดแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็เป็นเมตตาคนอื่นตรงโตมแต่ก็มีขอบเขตเหมือนกันถ้าหากว่าเหลือวิสัยจะช่วยได้ก็วางเฉยสักแล้วไม่ไหวก็เลยวางเฉยเช่นพระมาลุงอย่างนี้ท่านก็วางเฉยสักพระมาลุงมาถามก็ะสามพระบรมศาสดามันเหลือวิสัยท่านก็วางเฉยชูกยไม่ไหวก็แก้ไม่ไหวก็วางเฉยแต่พอที่จะแก้ไดู้ท่านก็แก้ถ้าแก้ไม่ไหวท่านก็ไม่เสียใจท่านก็วางเฉยสักแต่ว่าผู้คนนี้ แต่พวกเราก็เมตตามีขอบเขตเหมือนกันจริงแม้ที่เหลี๋ยวใส่มันไม่เข้าใจเขาตำเต็มเช่นคนตาบอดอย่างนี้อดิฉันหรือกับผมจะมาพอเรียนวิชาสนเข็มอย่างนี้มันก็ต้องวางเฉยมันสู้ไมาไว้เลยอ่ะ <c oughs> มันก็ต้องวางเฉยซื้อ ไ, ไว้เลยอะถ้าถืดไปสอนก็ผู้สอนก็เป็นผีบ้าว่าพระมันตาบอดลแล้วจะสอนอยีอ่ยมันสนเข็ยมยังไงได้ ทีนี่ผมอยู่ห้วยทรายงูมันกินกบแป๊บแป๊บแป๊บแปอยู่ล้มปูมหาไปช่วยมันไปช่วยมันถ้าเหลีย ว, วิสัยช่วยไม่ได้จึงวางมันร้องขอให้ช่วยอแล้วก็เลไปช่วยมันไปช่วยมันก็ทิ้งไม้ลงใส่หลังมันซักดัง น, นี้มัก็คายออกคายออ ก, ออกแล้วเปรียกมันออกสู๋สูสส๋ไปไปไปสู้อย่ามาใกล้กันสู้ไม่เป็นเรื่อมันพายครูก็ได้บุญมากะ ถ้าหากว่าสู๋ตายแล้วกูก็ปล่อยสู๋ถ้าสู๋ยังไม่ตายกูก็ช่วยสู๋เว้นแม่แต่กูไม่เห็นมีคำสามถอดเข้ามาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเที่ยวช่วยงูอยู่ทั่วพิภพสิอย่ามาภาวนาเพรเมื่อเป็นมามันมาเจออยู่ซึ่งหน้าก็อยากปัดพระบรมสารหลวงปู่มหาบอกว่ามันร้องให้ช่วยเขาต้องช่วยมันสิถ้าเราไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าน้อยหนงหรือเรื่อวิสัยก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าน้อย่หนัง บางท่านบอกว่าลาบเขา嘛ลาบยังไงเขาเป็นเวรกันเป็นบาหรหรือพระบรมศาสลาไม่บอกว่ามันลาบของเขาลาบผีบาอะไรเขาเป็นเวรกันถ้าไม่เขาเป็นเวรกันถ้าเขาตายแล้ ว, วก็คนเหลือพิสัยถ้ายังไม่ตายก็ช่วยว่าเว้ไนไม่แต่ไม่เห็นเว้ไนไม่แต่ไม่ได้ยินท่านว่าหลวงปู่มหาบางคนว่าบอกว่าลาบของเขาลาบผีบาอะไรเวรไทยเมตยานาภี มนาโปโฮเซขันติโกผู้มีเมตตาผู้มีขันตีน้อมอยู่เป็นสุขขันตีเป็นเครื่องระดับของนักป่าหรือขันติกเพราะว่าขันตีเพาว่าขันติกเพราะว่ า, วาปีติสาตาธรรมเกิดดับเป็นมันขนปีติภาวนานี่อยู่ใต้อำนาจใต้รักหมดพวกแต่เป็นทางปุญญาพิสังขาร ไม่ใช่ทางอปุญญาพิสังขารหรือเรียกว่าอนเนนทาพิสังขารก็ถูกเพราะไม่วันไหวในสมาธิอันนั้นตามชั้นของสมาธิอันนั้นเรียกว่าอุปจาระสมาธิจาระแปลว่าไปตามในนมิตสมาธิแปลว่าตั้งมั่นในนิมินิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตบางอย่างปรากฏเหาะเหินเดินอากาศตีรังกาในอากาศมดกําลังก็ถอนออกมาเหอกัน บางทีก็เดินจงกรมในอากาศบางทีก็เหาะขึ้นไปในอากาศบางทีก็พินหัวลงมาพินเท่าขึ้นบนผ้าสะบงม่ได้พันุคอผ้าสังขาติก็มาได้พันคอเรียบวุดอยู่เหมือนเรายืนเดินในอากาศพินหัวลงมาก็ไมีเหยียบไปนี่เป็นทิวแถวไปเหยียบติดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊หัวลงมาในเพรายหมดกําลังก็ถอนออกมาเหมือนกัน บางทีก็เตียงพาเหาะขึ้นเมฆบางทีก็เหาะทะลุภูเขาคนอื่นไม่เชื่อไม่เชื่อเหาะทะลุภูเขาก็าหัวแตกตายมันว่าจะเป็นอย่างนั้นนิมิตบรรทะลุไปแสงสวา่างทะลุภูเขาไปเลยมันเกิดที่ทิก็เหาะไปตามแสงสวา่างมันก็เหาะไปตามแสงสวา่างทะลุไปไม่ใช่มันจะไปชนก้อนหินถ้าไปชนก้อนหินผมว่าแตกตาย พอแสงสว่างมันทะลุภูเขามันทะลุภูเขาแล้วก็เหาะไปตา ม, มานั่นมดกำลังมันก็ถอนออกมาเหมือนกันถ้าตายคานั่งก็ไปเกิดในผมมเมอโอย่างไม่พ้นทุกข์ส่วนเป็นโลกีริอโรพุตะมันก็ขึ้นอยู่กับเอกเทศของผู้พ้นจากกิเด็ถ้าพระโสดาบันภาวนาเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นโลกุตะถ้าพุทธชนคนหนาภาวนาอย่างนั้นมันก็เป็นโลกีเหมือนกันเพราะเมื่อเวลาออก จากมาธิมาแล้วก็ไปเล่นเลขกรับเขาอันเรียกว่าโล ก, กีจะเดินจงกรมภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำก็ตามจะอดอาหารจนขุมผมขุมฝนหล่นก็ตามแล้วเข้าสมาธิเก็บวันเจ็คืนจึงออกเหมือนพวกไอคุบเหมือนพวกชีปงชีเปลยก็ตาม ถ้ายังเสียดายอยากรองละเมิดสิทธิท่าเสียดายอยากจะถือศาสดราอืา่นเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกับมันเสียดายอยากจะแข่งดีกับพระบรมศาสดาอยู่ีมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันพวกชีปงชีเปืยชีเปื่อยมันแข่งดีกับพระบรมศาสดามันบอกว่าพระบรมศาสดรายังมีขี้เหร่อยู่เราไม่นุ่มผ้า มันสบายดียรรเลยนะแล้วแม่เกี่ยวกับนุผ้าก็พีบ้าเด็ดเดียวใช่ไหมสมาธิแปลว่าตั้งมั่นก็มีความอนุญาตอันเดียวกันตั้งมั่นในในกรรมฐานที่ที่ตั้งไว้ชานังแปลว่าเพ่งในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็มีความหมายอันเดียวกันชานังก็ดีสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีปัญญาก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันวิปัสสนาก็คือปัญญานั่นเอง มิปัฒนาปัญญาของพระโสดาบันสกทาคามีนาคามีทหารเดี๋ยวเดียวท่านถามอะไรเดี๋ยวจะตอบแ ม, ม่ถูกตรงความถามถูกนะนะถูกแล้วนะออืเพราะมันมีไตรักสัมพยุสจิตอยู่ถ้าไม่มีไตรักสัมพยสจิตอยู่เดี๋ยวก็สําคัญตัวอุปทานเพิ่มถ้าเห็นอะไรก็น้อ่อ่่งหลังสูตรใจรักก็ไม่เป็นปัญหาถ้าลืมไตรักแล้วก็ไม่มีที่จะเบื่อหนละยังสําคัญว่าตนเป็นอันนั้นอั น, นั้นเป็นตนอยู่ ไ ต, ตรักมันสําคัญอยู่ที่สุญญาตาสูตรอนัตตลคณะสูตรมันสําคัญอยู่ที่อนัตาตาไตรักอะอนัตตาเป็นเป็นพ่อแม่ของไตรักสิ่งใดไม่เที่ยงเสียก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ว่าอันนี้จังก็อยู่เป้านี่ทุกขังก็อยู่เต้านี่อนัตตาก็อยู่เป้าไงอธิแท้อยู่คณะคิตเดียวกันเป็นเพียงคณะคิตเฉินเฉยๆหรอ ไม่ใช่ว่าอันนี้จังอยู่เป้านี่ทุกขังก็อยู่เป้านี่อนัตตาก็อยู่ต่อเป้านี่เป็นสามเป้ากระบ้าจริงจริงมันก็เป้าเดียวกันหนังกับเนื้อกับเอ็นกระดูกก็เป้าเดียวกันตากับหน้าก็อันเดียวกันเคยเห็นหน้ากันอยู่ก็พูดอภบรยากออจีแท้ก็เห็นตาเห็นจมูกใช่ไหม <c oughs> คำว่าไตารักก็มีทั้งอานิจังทุกขังอนัตตากรมกลืนกันอยู่เป็นเพียงขณะจิตเข็มแต่ละขณะเท่านั้นออจีแท้อยู่ในขณะเดียวกัน เช่อนอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีมันก็นับไม่ได้ใช่ไหมนั่นเช่นดินน้ําไฟลมไม่มีอยู่ดินน้ําไฟลมมีอยู่พร้อมกันไหมก็มีอยู่พร้อมกันเราพริจารณาดินดินจึงจะมีเราพริจานานา้ำน้ำจึงจะมีเราพริจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพริจาราลมลมจึงจะมีไม่ถูกอันนั้นมันมีอยู่พร้อมกันในคณะเดียวแล้ว ศีนก็ตัดศีนลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอกด้ในปัจจุบันศีนของพระโสดาบันสมาธิของพระโสดาบั น, าา น, ออ น, าานปัญญาของพระโสดาบันศีนสมาธิของสัคตาคามีศีนสมาธิของอนาคามีศีนสมาธิปัญญาของพระอนาคามีศีนสมาธิปัญญาของพระธรรมจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปรองกืนกันในปัจจุบันก็จริงแต่มีกําลังต่างกันปัญญาเท่านั้นจะชนะความหลง ถ้าเอามาควบคู่กับอนัตตาที่เป็นฝ่ายสังขารมันก็ยุ่งเหยิงนักอนัตตาในฝ่ายที่ทําไม่เกิดไม่ดับก็ต้องเป็นอนัตตาตามมันจริงทาที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังไม่ไม่เป็นทุกขังไม่เป็นอนิจจังแต่ทระงอนัตตาทําไมยังทรงอนัตตาพระไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งไหนที่ไม่เป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาตามธรรมชาติ พระนิพานเป็นอนัตตาอันไม่เกิดไม่ดับเอ้าทุกเป็นอนัตตาที่ควรรู้สมุทัยเป็นอนัตตาที่ควรเว้นมักเป็นอนัตตาที่ควรเจริญ น, นิโรธเป็นอนัตตาที่ควรทําให้แจ้นั่นนั่ง น, นั่งมีปัญหาสอนเข้ามาว่าเจริญทุกสมุทัยในนิโรธมักนี่เจริญตั้งแต่อริยะสัตว์เดียวใชนได้หรือไม่ ก็เจริญอริยสัจเดียวก็พอแล้วเมื่อพิกงาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมุทัยก็บรรเทาไปเองมักก็เจริญไปเองนิโรธก็ทำให้แย่ไปเองเหมือนเราทานอาหารก็อิ่มไปเป็นคำคำใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะทานหมดบาทจึงจะอิ่มก็อิ่มไปเป็นคำคำเหมือนกั น, น, น ไม่ใช่เจริญทุกแล้วก็เจริญสมุทัยแล้วก็เจริญมรรคเจริญเนโรดอันนั้นมันเรียงแบบใช่ไหมเอ้าเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับอายตนะัสสาะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกบับวิเศวทุกโทมรัคอุปายาตอันนี้ท่านเรียงแบบให้สมภูมิเฉยๆหรอกให้สมภูมิพระสมานพุทธเจ้า ถ้าอันหนึ่งดับอันหนึ่งก็ดับไป ห, หมดประมาเหมือนสายโซ่ที่คล้องคอของเราอยู่จะตัดปอกไหนออกมันก็ไปได้ทั้งนั้นใช่ไหมเมื่อ <S <S อ, อวิชาดับแล้วอันอื่นก็แตกกระเจิงไปเองอวิชาความโง่เมื่อชาตดับพกก็ดับไปในตัวไม่ต้องเรียงแบบ อภิชาดับก็สังขารดับวิญญาณนามลูกอายตนะพัสสเวีตนาตันหาอุปทานภพธาติชรามรานาัโสโศกุลเทวทุกขโรมนัสอุบายะอันนั้นท่านเรียงแบบให้สมฐานะของท่านเฉยๆหรอกท่านอนรรมัตเรมส่วนพระพาหิยะนั่นเป็นแต่สักอรูปเป็นแต่สักอรเห็นเนอครัรบพอแล้วเป็นพระรห์แล้วได้ยังปฏิจจสมบาทมาจากประตูใดนะมันมันหมดสิเรนแล้วมันก็ดับไปณที่นั่นเองพร้อมกันเลยไม่มีอันใดก่อนในหลังเมื่อความฉลาดเนี่ยความหลงแล้ว มันก็ดับไปพร้อมกันนณที่นั่นเองไม่มีอะไดก่อนอันไรหลังแต่ที่ท่านเรียงก็เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเพื่อสมภูมิที่เป็นพระสัมมาสัพพะทัยเจ้าถ้าชินแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่เปรียบเหมือนว่าเปรียบเหมือนร่างกายของเราถ้าหนังแก่กระดูกก็แก่เส้นเอ็นก็แก่เหมือนกันถ้าหนังอ่อนก็อันเดียวกัน มะพร้าวกับมันกันเทียบในของภายนอกถ้าเปลือกมันแ ก, ก่ก็ตาาก็แก่ก็เนื้อของมันก็แก่เหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาจะแยกกันไม่ได้โลกีย์ศีลโลกุต ร, ระศีลศีลพระสพระสดาบันสกทากามเมนาคารมียพระลานศีลของพระทหารเป็นมหาศีลแล้วเป็นศีลที่ไม่อยู่ใต้อํานาจของเหตุผลมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระทหารรักษาจิตหรือไม่พระทหารรักษาจิตหรือไม่ เพราะเหตุใดเราตอบตามอัตโนมัติว่าเราไม่ใช่พระรหันต์ดอกแต่เรามีกิเลสมากกว่าไม่ถินเมตใจในข้อมหาสมุทรแต่เราก็จะขอตอบพระรหันต์ไม่ได้รักษาจิตเพราจิตไม่มีโทษจะรักษาอย่างไงถ้าพระรหันต์ยังรักษาจิตอยู่พระรหันต์ก็เป็นต้องเป็นคุณคนคุมนักโทษเพราะเก่งนักโทษจะทําอันตรายแก่ตนบ้างเก่งนักโทษจะรักหนีบ้างพระรหันต์ไม่ได้รักษาจิต เพราะจิตมันดีพอแล้วไม่มีผู้ยึดถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตแล้วจะรักษาจิตทำไมพระมีสติอยู่ทุกกิริยาบทแล้วจิตเป็นได้สักว่าจิตผู้รู้เป็นได้สักว่าผู้รู้ไม่ได้รักษาจิตไม่รักษาผู้รู้เพราะไม่เกรงว่ามันจะผิดมันจะผิดยังไงเพราะมัมีในอุปทานในจิตแล้วจิตเป็นในสักาจิตผู้รู้เป็นได้สักว่าผู้รู้ก็ปล่อยวางกันอยู่หน้าที่นั่นเองอดีตอนาคตของพระอรหันต์ท่านรักษาไหมท่านก็ไม่รักษา ถ้าพระทหัรรักษาอันใดอันหนึ่งอยู่ก็เรียกว่าพระหารเป็นทุกขพระเพ็งมันจะรักหนีนกบินในอากาศวันยังค่ําจะไปถ่ายเออรอยของมันก็ไม่เห็นเห็นแต่ตัวของมันบินไปแต่รอยของมันไม่เห็นเสียแล้วมีเฉือน้ําวันยังค่ําก็ไม่มีแผลชันใดความนึกคิดของท่านผู้ข้นแผลก็อย่างนั้นควนตริกเป็นเครื่องสัญจรของโลกตาม แต่เมื่อท่านมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ในที่นั้นพิษสงมันก็ไม่มีพระไม่กลัวแพ้กลัวชนะถูกไหมอุาทานนณเจตสาเห็นใจในการยึด ก, การถือทีนี้มีคำสอดเข้ามาว่าพระอานาหารมีความพอใจไม่พอใจไหมข้าพเจ้าตอบว่าความไม่พอใจของพระอนาหาร ก็มีพระอรหันต์จะพอใจให้พวกเราล่วงละเมิดปาราเชกไหมไม่พอใจใช่ไหมนั่น <c oughs> ใครว่าพระอรหันต์พอใจในทางบาปไม่ได้พอใจเพระไม่พอใจไม่เป็นกิเลสหรือไม่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นกิเดสไปทั้งหมดไม่เป็นปราถนา เมื่อทำไมจึงต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเพราะเห็นสิ่งใดในโลกล้วนไม่มีแก่นสารเลยเธออยากยินดีในโลกทั้งปวงเธอจงเห็นภายในโลกทั้ ง, งปวงสักพรรมศาสดาผู้เห็นภายในโลกทั้งปวงผู้นั้นจะไม่นอนใจในความหลงของตนผู้นอนใจในโลกทั้งปวงก็คือนอนใจในความหลงของตนนั่นเองเมื่อความฉลาดเหนือความหลงไปแล้ว ความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อความสว่างเหนือมืดไปแล้วมืดก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะพุทธศาสนาอบรมให้ปัญญาสูงกว่าความหลงของตนถ้าปัญญาไม่สูงกว่าความหลงของตนก็ข้ามความหลงของตนไปไม่ได้ข้ามความหลงของตนด้วยเครื่องบินไปทางนอกตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็ข้ามไม่ได้ข้ามความหลงของความด้วยความไม่หลง ข้ามความลืมตัวลืมใจลืมทำด้วยความไม่ลืมตัวลืมทำลืมใจข้ามความขี้เกียจ ด, ด้วยความขยันข้ามความมุทะลุด้วยความ ม, มุทลุผู้ไม่มีปัญญารักษาศีลก็ไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็จะรอบรู้ในปัญญาก็ไม่ได้ปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหมดเหตุนั้นจึงบัญญัติว่าวิปัสสนาพระ ไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระเรียกว่าปัญญาธุระวิปัสนาธุระก็คือปัญญาธุระคือธุระทางปัญญาปัญญายะปฏิสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญาโลกัจมีปัจโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเหตุนั้นจึงทรงสนเสริญปัญญาเป็นในหน้าเขาจะเอาคนเป็นหัวหน้าเขาก็ต้องเอาคนมีปัญญาไม่ใช่เอาคนโง่ในพักไหนพวกไหนก็เหมือนกัน ที่เอาคนโง่เป็นปัญญาในสมัยทุกวันนี้แบบเพราะเอาผู้มีตังมากประชาทิปตังไม่ใช่ประชาทิปไตยประชาที่ปตังเพื่อนคนนัทถีพาราปรนายากาคนทานไม่ใช่คนหัวหน้าบัณฑิตาปัินายากาบันิตยังเป็นคนหัวหน้าทวโรมาจารย์สดาสอน พระส ว, วัสดิ a ชนะกเกเรตตอนไหนกเกเรตตอนนั้นไม่คืนมาอีกเพราะโรกุตระชนะไม่ใช่โรกีชนะไม่ใช่าทะทังเมมุดบาพระส ว, วัสดิ a w a มีอยู่แต่ไม่สามารถจะขบฏทวีขึ้นมีอยู่ในเกณฑ์จะชนะยกข้าหอนเช่นลบค่าศึกตีได้จังหวัดหนึ่งแล้วไม่ต้องใช่ว่าจังหวัดนั้นจะขบฏคืนไ <c oughs> ม่น้ำซ้ําเป็น ไปช่วยกันเป็นกําลังเอกด้วยไม่ขบคืนทีนี้สันทิทโกพระสรดามันสันทิทโกคือเห็นเองของพระสวดามันเห็นเองสักขาคามีเห็นเองพระนาคามีเห็นเองพระนันพระนันเห็นเองจบแล้วเห็นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพ้นไปแล้วความเห็นเองของพระปิจิของพระสรรมธาพุทธเจ้าเป็นขั้นที่หนึ่งพระธรรมธาพุทธเจ้าเป็นขั้นที่หนึ่ง สัมผัสที่โกพระธรรมาธิพุทธเจ้าเป็นท่านที่หนึ่งพระปฏิเจ้าเป็นท่านที่สองพระทันตตาชีนาสดเป็นท่านที่สามพระอนาคามีเป็นท่านที่สี่พระกทาคามีเป็นท่านที่ห้าพระโสดาบันเป็นสัมผัสที่โก้ท่านที่หกใช่ไหมจะไปตีสัมผัสที่โกเสมอกันไม่ได้แม้อนุนตระังพุญญาเขตต่างโลกัสาติก็จะไปตีเหมือนพระหัน์ก็ไม่ถูกเป็นเขษบุญของโลก็จริงพระโสดาบันแต่มียอดกว่าสุ โอ้ชกยาแยกสามีกิตใช่ไหมนั่นถ้าไม่อย่างั้นแยกแยะไม่ออกมันก็ไม่ถูกจะตใเสมอกันไม่ได้ทำมีมากแต่ขยายออกมันก็มากมากก็มากออกไปจากใจน้อยกระหานลงมาหาใจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนลไานถ้าย้อนลงมาก็มาหายรักหน่วยใช่ไหมถ้าขยายออกไปนับถึงล้านถึงแสนสับะทุกย้อนลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันสับสุกย้อนลงม า, าเอกสุกในปัจจุบัน สภาพสังขารย้อนลงมาหาเอกาสังขารในปัจจุบันถ้าเห็นสังขารในปัจจุบันชัดแล้วสังขารในอดีตอนาคตจะสงสัยทําไมถ้าเห็นคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เต็มในปัจจุบันเนี่ยอดีตอนาคตจะสงสัยทําไมถ้าเห็นความตายชัดในปัจจุบันพอ่อเขาลงเขาเราออกแล้วอดีตอนาคตจะสงสัยทํำไมก็ไม่สงสัยเยาะพอพระเฮธทาธรรมนอกปัจจุบันน่าทำ ชินสมาธิปัญญารวมพลในปัจจุบันนี้ยชินสมาธิปัญญาของพระโสดาบันรวมพลในปัจจุบันเหมือนกันสักคาคามีอนาคามียังเหมือนกันแต่ก็มียิ่งยอนกว่ากันเท่านั้นหายใจเข้าข้างหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความเกิดดับหลังนี้เขาเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความเกิดดับนึกขึ้นขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความเกิดดับ ใครเป็นผู้สวยพระนิพพานก็พระนิพพานเท่านั้นเสวยพระนิพพานสังขารจะไปเสือกไปเสวยไม่ได้พระนิพพานจะเสือกมาเสวยสังขารก็ไม่ถูกถูกมหมเอ้าพระรหันต์มีในโลกไหมที่ว่าพระรหันต์มีในโลกเท่านั้นเท่านี้ก็พูดตามสมมุติใช่ไหมพระรหันต์ผีว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกก็พูดตามสมมุติเพื่อให้รู้จักความหมายกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายกัน เช่นพระบรมศ า, ศาสดาพูดตามสมมุติอานน์เอ๋ยอาโนนเ อ, ยอ๋นอนเอยเธอจงอาบายไปตักน้ำมาให้เราเดื่มด้วยเรากระหายนักเราหิวน้ำนักกระหายนักเราจะนักรับงต่้งกายให้กระวนกระวายเสียก่อนพระอนุลก็เอาไปตัอาบายไปตักน้ำเราคัดค้านกันอยู่ว่าว่าน้ำคงจะขุนพระเจ้าข้าพ่อปุยันห้าเราเริ่มผ่านไปนี่เธออย่าเรียบคัดค้านเธอจงไปเสียก่อน พอไปแล้วเขาแนะนำกอดสายก็เอามาให้ถวายพระบรมศาสีราทำไมพระบรมศาสีาจึงพูดสมมุติเราเหนื่อยนะเราก็หายนะักเราจะรักษาตายให้กวนกวายเส้อก่อนทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าว่าในทางปรมัตพระอนอน์ก็ไม่รู้อนอนเอย๋ยอนัตตาดอกอนัตตาดอกอย่างนี้พระอนอนทก็ไม่รู้จักความหมายคล้ายๆครับว่าถ้าจะเปรียบเทียบให้ เ, เข้าใจง่ายคือว่าอย่างไง อนนนเอ๋ยรถคันนี้มันเดินมานานมันวิ่งมานานแล้วหม้อ น, น้ําของมันก็แห้งเลยแล้วเครื่องของมันก็ร้อนแล้วต้องพักให้มันเครื่องเย็นเสียก่อนค้ายๆกขาพูดอย่างนั้นถ้าจะเทียบเป็นบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานอืถ้าจะว่าอนัตตาดอกอนนนอนัตตาดอกอย่างนี้พระ อ, อนนนก็ไม่รู้อะไรไม่รู้จากความหมายถ้าบอกเรษษาวาสัตว์ พูดอัตตาเข้าไม่เป็นโทษพูดอนัตตาเขาไม่เป็นโทษเพราะท่านไม่มีกิเลสควายท่านเขาว่าเหมือนกันกระบืองท่านเขาว่าเหมือนกันแต่ท่านไม่มีกิเลสผู้ที่มีกิเลสพูดอรหันต์อรหันต์อรหันต์อย่างนี้มันก็มีกิเลสยู่จะว่ายังไงถูกไห ม, <c oughs> <c oughs> มเดินทางไม่มีเข็มทิศตายตายหู ที่สำคัญตัวว่าเป็นพระหันมันก็ว่าจริงๆรอบเคยรอบมันหมดไปแล้วหรือยังโกรธเคยโกรธมันหลงมันหมดไปแล้วหรือยังหลงเคยหลงมันหมดไปแล้วหรือยังการมไม่ตกขาดไปแล้วหรือยังพยาบาลไม่ตกขาดไปแล้วหรือยังมวิหังสายไม่ตกขาดไปแล้วหรือยังความอัตวาสุปาทานขาดไปแล้วหรือยังทําไมไม่ตรวจดูทําไมไปให้เขายุกเป็นพระหันได้ก็ว้าจริงจริงว่ายอดถูกไหมไม่โอ้ไม่ไงก็โกมองดูตน เพระาะพรเป็นสันติที่โกคนหนึ่งเที่ยงลุงปู่เหมือนกันเขาโกรธให้ลุงปู่แต่เขาคุ้นเชื่องกับลุงปู่แต่เขาโกรธให้แต่เขามาถือหรอกอคนหมอนะอยู่ที่จังหวัดพังงาคนหมอพูดอะไรก็อาศัยกินกับโรคประสาทถ้าโกรธเครืก็อาศัยกินกับโรคประสาท นี่ฉันเป็นโรคประชาทโกรธหน่ก็แอบกินกับโรคประชาตสัก็มาบอกหายโรคประชาทอย่างไรที่เขู่ขึ้นมาอีกพ้าไดการละได้แล้วหรือกยางโกรธอาตมาละได้คนหมอก็ไม่รู้อาตมาละไม่ได้คนหมอก็ไม่รู้พระพระทำเป็นสันทิคที่โกระแรงก็ลเลยหายโกรธเลยทีนี้มันก็มีปัญญาเหมือนกันวันหนึ่ง เขาเถียงกันเด็กคนหนึ่งประมาณเจ็ปีเด็กคนนี้ไม่ล่างหน้าตื่นขึ้นมามันไม่ล่างหน้าที่นี่ผู้ใหญ่ก็เถียงกันทะเลาะกันคนหนึ่งก็ว่ามันร่างคนหนึ่งก็ว่ามันว่าแต่มันไม่พูดที่นี่คุณมานัดแกก็เคยพบเคยพบกับกรรมฐานจะไปเถียงกันทำไมล่างหรือไม่ล่างมันก็รู้มันอยู่ <c oughs> <c oughs> พอได้เหมือนกัน เ ป, okay. เป่าหัวก็คือเป่ Cold, าคิดเป่าใจให้ถึงว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เองผูกแขนก็คือผูกคิดผูกใจให้ถึงว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าใจถึงว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่รัดน้ามนก็ได้ไม่ผูกแขนก็ได้รดน้ามนก็คือนี่มนจิตใจให้ถึงว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองน้ามนพระบรมศาสดาไม่ทรงไม่ทรงอนุญาตโดยถ่ายเดียวแต่ก็ไม่ทรงขัดข้ออย่าหวังขวนเข้าค้ายาเขาถ้าหวังขวนเข้าค้ายาเขา มันเป็นอเนสนาเลีเ่ยงชีวิตไม่สงควรทําให้มโดยเมตตาเถิด อ, อ, อ, อย่าว่าก<แ>ดน้ํามนต์เท่านั้นบาทดวดน้นํานมนต์ตน้ว่าแต่เราไม่ค่อยทําท่านสามดาลงองตระกูลทีประพฤติตน้เป็นคนควรรับทรัพย์มอรดกข้อห้าเมื่อท่านลงรับไปแล้วทำบุงาาที่แท้ น, นี่ทําถูกแล้วเนี่ยส่วนท่านท่านลงทนแล้วหนึ่งให้มากระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดี สามให้ศึกษาศิลปศาสตรวิทยาจี่หาฟรรยาในสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัยนี่เธอไม่ต้องการแจก ง, งานท่านก็ไม่ให้แจง <c oughs> ทีนี้มันถูกแล้วย่าไปเอาสุรามาเรียงเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ในเวลาใกล้จะตายนึกถึงเห็นแสงไฟ แล้วก็ยังไม่พิจิตไปทางอื่นแล้วก็สิ้นลมปราณเขาไปนรกเวลาใกล้จะตายเห็นต้นไม้ลำทางหรือเห็นห้นทางพอสิ้นลมปราณเขาไปเกิดเป็นสัตติสสานไม่ลาใกล้จะตายไปเห็นที่มืดบนอนทกา ย, ยังไม่พิจิตไปทางอื่นก็สิ้นลมปาณในขณะนั้นก็ไปเป็นเปรไม่ลาไกล้จะตายไปเห็นคันมันดา ก็ไปถือประตูสีสธทิในคันมานาถ้ายังไม่พิจิตไปทางอื่นก็ทิ้นลมปานในขณะนั้นยังไม่พิจิตไปทางอื่นก็ไปเกิดในคันมานาในเวลาใกล้จะตายไปเห็นปรากฏเห็นวิมานหรือเห็นเทวบรเทวนาแต่ยังไม่พิจิตไปทางอื่นก็ทิ่นลมปานในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวบรเทวดาเออเดียวในเวลาใกล้จะตาย ไปเห็นร่างกายคณะคิดหนึ่งแล้วก็เห็นผู้รู้แล้วมายึดถือผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเจตคว่ารู่เป็นเจตควาเห็นก็เลยตายคานั้นก็เข้าสู่พระนรพนไปซักพราะวิญญาณปติสันติไม่มีนี่เรียกว่าคติห้าชาวพุทธต้องรู้จักเหตุ น, นั้นจึงหัดภาวนาไว้เอาไว้ใช่ในเวลาจวนเกียนนั่นเอง อาสัญนกรรมกรรเมื่อจวนเทียนเป็นกรรมที่สําคัญมากจนเทียนจะตายต้องตั้งใจภาวนาถ้าหากว่าเป็นพระโสดิบาลชกทาคามีอนาคามีไปแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาหรือเป็นพระหัสนล้วก็ไม่เป็นปัญหาที่นี่เยอะนยคนป่วยเยอะจักมือแม่เข้ากับตายข้าวภาวนาพุทโตคือกันแม่เข้านไปสุกติ เนเกจิพุทธังาตังคาตาเต่ละแต่คำนต้จะปียปายาภูมิปะหาจะมาในชั้นเดหั่งเดโวกายังปริฟูเรกชั้นตีติในมหาสัมโสูตรผู้ใดถึงว่าพุทธังประสงค์จนเพื่อผู้นั้นละโลกนี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์วิดาของเราก็เหมือนกันไม่เงียบเลยบิดาของเรามานดาของเราก็เหมือนกันเงียบเลย พูดเถ่ามันเป็นในขนาดนั่งเลยพูดเถ่ามันไปไม่ง่างเยเลยมันห้ามจะไปไมันกำลังหลังไปกลางมันคือคนนุ่มเลยตัวเจ้าอาจจะเอาเหล่ามากจอนรับเน่าอื่นเอาเน่าจอนรับเน่เอาอือน่นก็มีเลยจะไปเอาเหล่ามากเมื่อยจะไปขาปูขาปลาไปเอาของตระลาสผลมากจะไปนัดเขาไงล่ะมืออื่นเสี่ยวเท่านั้นกิโลมืออื่นเสี่ยวเท่านี้กีลนย่จะไปว่าอื อยู่กับชั้นทักษิริยะจิตตพิมังสาอยู่กับอิทธิบาทสี่ชันทะกษิริยะจิตตพิมังสารับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเมื่อพ่อสองโซมุง่เมื่อคืนเนี่ยมันรับยักษ์สามชิพหนาที่หเที่ยเมื่อคืนนะแต่ก่อนท่าคันอาหารกัสัมพุทเถ่าซ้ำเนี่มันก็เนิดรัตท์นี่แล้อาหารอาหารเร็วๆกับกำเนิดรัตน์นี่ มันพูดเทาขนาดนี่เะบว่ามันตัง้งเท่ะคนเหล้าข้นเหล้าเมื่อกูดรมันเราดังเลยสิหรอกไปไประํากรรมน้องปูค่อยเบียดเบียนซักคืนขี้ควายแล้วก็ใส่ตักมันหลังความันนี่ก บ, บาร์เพื่อการมันขั้นหลังนี่นเป็นเป็นโรคพุ่มแพร่ยันเสียบฟาดหลังมันเห็นตัวเสียบฟาดหลังมันเอาแท้ท้ายกับ ลายามันไปไงตัวบ า, บาปกรรมบาปกรรมซุกหนาหลายมากน่าสนองไหนไข่กอมันกระชิตใจทุกทัวตจงมีอิสระทางทำดีถืออย่ามีอิสระทางทำชั่วเลยยกเว้นผู้ใจถึงในทางทำดีเถื่ออย่ป็ผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยพระบร ม, ามาศาสดา ย้งทําคิตให้บรรเทาในการละชั่วทันดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทาาั้งหลายคําสอนที่ยอดใครเป็นชู่วบัดมันอยัดดีชั่วถูกเพราะพระธรรมเจาพาพทธเจ้าทั้งท่านสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนเมื่อมีสั่งสอนหมดแล้วเหตุนั้นจึงว่าสัพพังสัพพยันชนะเจวราปริภูนังไว้สุดทางความมัน่นใจย่างประกาเศเสียส บริบูรณ์ทั้งอัตชักทั้งพยัญชนะเลยตามาหารประการทางอุิยาหมไตามอาหารประการทางศิลปศาสตร์มาคำบางคำมันคำสังเังก็มีเหมือนกันจริงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบว่าแบาา บ, าาบง ง, งๆใครจะพูดเก่งเท่เก่งสักเพียงไหนก็ตามวันน้ำไหลไฟดับก็ตามก็เป็นคำเก่าของพระบรมศาสนาเทศมาแล้วนั่นเอง คำนี้พระบรมศาสดายังไม่เทศนอกข้าพเจ้าปเป็นผู้แจกฉันนด้อาตธรรมถ้าใครพูดอย่างนั้นผู้นั้นเป็นว่าอาทธธ้ที่แท้ที่สิ่งไหนที่พระบรมศาสดาไมไ่เทศไม่มีเลยใครจะพูดจนน้าไหลไฟดับก็เลียมก้างพระพุทธพระบรมศาสดานั่นเองจะถือว่าเป็นคําสอนของตนมันก็บาปมากถูกไหมเออขันธ์ห้า ท่านก็บัญญัติแล้วอายตนะบัญญัติสัจจะอริยสัจทั้งสีท่านก็บัญญัติแล้วจริงไหนที่ท่านไม่บัญญัติไม่มีเลยมันก็พูดตามบัญญัติมันก็ถูกบัญญัติไปแต่นะโมเนี่ยณโมก็แปลว่าน้อมๆใครจะเทศเกฑงสักเพียงไหนก็ตามใครจะเป็นพระอรหันวันนี้ก็ตามแต่ก็เล่มก้างพระบรมศาสลานั่นเองพระท่านประสบการณ์มาก่อนแล้ว ใครจะตกนรกวันนี้ก็ตามเถิดแต่ก็เลี่ยมกล้างพระบระมศาสารีร เ, เพราะท่านเคยได้ประสบการณ์มาแล้วทั้งทางถูกถูกและทางผิดจะช้ําคําตัว่าเย่อหญิงจ้องหองกว่าพระบระมศาสาีามันก็เป็นไปไม่ได้เลียมกล้างพระบระมศาสด า, าทั้งนั้นแหละพระธาตุมันเป็นธาตุนี่แหละเพราะมันเป็นของแข็งก็เรียกว่าธาตุดินพระเทวีธาตุคือธาตุดินถึงจะอย่างไรมันก็เป็นธาตุอยู่แล้ว ก็ธาตุดินผมเนี่ยจัดเข้าในธาตุดินกระดูกก็จัดในผมกอนันนังี้กระดูกยนกระดูกมาหัวใจามความปอดใหญ่เ็าใหม่หเกนี่สมมติาเป็นธาตุดินี่ทะรลน้องเรื่องเงาคนหน้าตาปมานามานามุกน้ไข่ข้อนามนี่สมมติเราเป็นธาตุน้ไฟเสีงการให้อบอุ่นไฟเสียงการตรงไฟเสียงการใลวายไฟที่เอาหารยอยนี่สมมติเราเป็นธาตุไฟเราเคลื่อนงนลมหายลมเยลอวกลมพัดลมใน่องลมในช่องลมพัดไปตามตัวลมใจเข้าลมใจออกอันนี้ก็เป็นธาตุลม ดินน้าไฟลมชงกันเป็นการเรยเยาวาลูกอยู่ใต้อำนาจอันจังเกิดขึ้นจากแพร่ปรวน แ, แต่สลายเรามีกิเลสอยู่แต่เราก็นับเม็ดหินเม็ดกายในท้องมหาสะมุทรได้คือนับยังไงเรามันคนขี้สนเราคนขี้สนไปภาวนาเอ๊ะเราจะนับเม็ดหินเม็ดกายดูซะก่อนลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็นับดูนี่ เวลาเรานับลมนับเม็ดหินเม็ดทรายอยู่ในหลังนั้นเราไม่ลืมลมเลยเราเห็นลมออกลมเข้าอยู่แต่เราไม่ตามออกมานอกเออนับเม็ดห็นเม็ทรายมานับมายากอะไรอย่างเง้ยเรานับอยู่เอกปฏวีธาตุคือหนึ่งดินแล้วไงเอกปฏวีธาตุคือหนึ่งดินนับเป็นน้ำอยู่สิเอกอาโปธาตุคือหนึ่งน้ำนับเม็ดไฟสิเอกะเตโชธาตุคือหนึ่งไฟนับลมสิ เอกวายโยธาคือหนึ่งลมเออพระสารีบทท่านนับก็นับอย่างนี้นับเป็นฝ่ายสังฆูถ้านับหนึ่งสองสามไปถึงอสงไขยผู้นับก็ผีบ้าผู้เป็นกรรมกาาร์ก็ผีวา่ากี่วันมันจึงจะจบ <c oughs> เราก็พูดอย่างนี้แต่เรามีกิเลสมากอยู่แต่เราก็นับได้นับเป็นหินเป็นทายเอกปทุมธาตุเอกอโปธาตุเอกวาโยธาเอกเตโยธาค่อยนับลงเป็นหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นสังขโหมีไว้ทําไมอะสังขโหมีไว้ทําไมก็มีไว้เพื่อให้สองข้อนั่นเองใช่ไหมเนเพระเจ้าถิ่นต้องหนักในปฏิสันถานเนาะมีตายฆ่าเอกพระสันพระดีตายฆ่าธรรมาตทหารดีตายฆ่าสนามลบนะลบภูเทศโอ้ลบภู อ, อ่อนลบภูอ่อนตัวกรบอกของสันนอตตัวนี่ว่าพืนอลบภูอ่อนอ แท็กอ่ะแครงท่างยาแครงท่างสื้ท้ายแครงท่างปลอดไข่อุบายอะไรมันจะปลอดไข่เลยนะเอาอุบายอะไแครงท้างพื้ท้ายของคนแรกอีกเอาเลขชื่อเลขเอารถดิบ่ดิบอะไรซ่ํารถทางก็บ่ได้ซ่ออ่ะนอืออืมง่้สไปเห็ดแต่แถวจีบหายหมดบ่ไหนบ่ไห เอายันทุกประเภทเลยเอาไปยังหนึทุกประเภทกัม่ยงเอไม่ยอพาูดาท่ามประสงคนก่อปาดตะพกขาก็อุดเชทัวทั้งใจโลกธาตุที่ยังไม่เล่นไม่ไพกันกันตัวอาติน้าใจข้าเนี่ยแหอืญายิน้าใจข้าผู้ขาท่าบนเช่นท่า ละเมอละอนี่เขาไม่พรรคเพื่อนก็ขอให้ัวทังใจเรากรถาเดวรับส่วนกุศลนเน้อหบอกหนึงสั่นึกสัมันก็ะแทได้อยู่เดี๋ยวเข้าดอกร้อนไปเรียนเลขเรียนผ้าเรียนบนเรียนมือเลนโบกเรนเบียมันก็พราะานเอาหว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์เทียนว่าโขบบะโคบโบก ขีขี่กูขูอยู่เยกมันชี้ายมาเลยเถียงกันเถื่อเขามีอ่ะมันก็ไปนน้ำเจ้าอะไรมันก็เป็นน้ำเจ้าอัตแตกกันทันตัวลูกหลานลูกกูห้ามมาฟังยช่างโคย่างอดร้อนคนมันึังหน้าระชานเมืองที่ดรนก็บยช่าสั้นเมืองที่เินบานที่เิีนหน้า ไนเด็ดจกจะขาชเสพด้านไปอดรอดวะเ่ยยั ง, งอะน้ำปนมาบักการกินห่อของมันรอดดอดรอดอยังจะสาเงียนภาษาะหนนั่นน่ะเห็นมาจอพระพุทธเจ้าสอนหวยดีวัดแล้วทำนั่งอาหารข้ากระเปิดออกมากออกอายท้วนๆเนื้อโบบดกมากินน่อได้ก็ได้ล่างมือกินเอาเท่านั้นทำนั่หันทางั ไมีเมื่คืนไม่ไม่หลุมไม่ไม่บองานก็บ่าเกิดเดินสบายเพราะพระ อ, องค์เก่าประการประสบการณาเลยท่านเจริญ่กับประสบการมาเลยท่างเสื่องกับประสบการณ์มาเนี่ยท่านจะมาสอนมูเฮ้าพระพุพทธเจ้าองค์ใดๆก็มาสอนโลกคู่เดียวกันทำกกํำให้โรคกระบาลคุ้มครองโรกร้องอยาความละอายตาา่บาความกลัวต่ำบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ ถ้าไม่ย่างอายตบ่าวมิ้งกาาลล็ปวดตบ่าวเลยชิ้นหากระบรบุญคนในโลกนี้ไม่ชิ้นหาบริบูรณ์นับแต่ลู่เรียงสามาผู้บ่าวไม่บาบาเชื่อจริทตทิศมนุษย์มาจะ ก, กาเนิดก็ตามกา็เป็นส่วนหนึ่งแล้วไม่ชิ้นหาบริบูรณแล้วัฮนทหารกระบบมี่ตำรวจกระบบมี่ขายของกระบบเผาโซกกระบบมีส่วนโซส่วนกรบบมีเลือดจากระบบมี ตะล่างคุกตาล่างกะบุญขายของกับพเฝอมาหน้าจีบาทกับพระบุอาทิหน้าท่านกับพระบุญตาเมฆสมิทธ์ฉาจานกับพระบุญพอตัดไฟจนร่มแล้วมุ้งสาวด์กับพมีบพูดพดต้มตุนกันควบขีเม้ากับพระบกฎหมายกับพระจองต่างหลายต่างกฎหมายงบประม่ณกับกฎหมายภาษีอค้อนพอแล้วโรกก็นอนวัดสะดุงภวาเพราะพระบแว่นรอกกลาง การค้าขายพขา้พุทักษ์ก็บอกค้าขายเครื่องประหานจะต้ภาัดค้าขายเยะค้าขายเครื่องประหารค้าขายน้ำมันค้าขายสาเติมในน้ำตาลที่ตัวค่าเพเป็นอาหารค้าขายน้ำมันค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ชาวโลกอยาไปทํมั้ยผู้พทักษอันนี้อันที่สอเาอาไม่รีการค้าขายเครื่องประหารประหารนี่เห็นบ่าหรือมิขาวฟันนั่นแท่งกอยู่เนี่ยในรับสมุติสุเถืยบอ๋อ พวกที่ซืวุ้งมีบุญมีบาปจะไปรอดว่าสันซื้อวุ้งมีคนพอคุณแม่เขาไปรอดด้วยกันแต่กระเจลิมมันกำกรรมมันมีอยู่ว่าจะเป็นเจ้าโลกออกอจะเป็นเจ้าทุ ก, กข์นขี่คือาแต่เนี่ยคดีดาคดีแดงในโรงในศาลวะมี่อันคดีดาคดีแดงในโรกในศาลนี่ยมันจบเสียนเป็นกรแล้วคน้องกํรจบรเสียณก็เป็นเนี่ยแล้วคน้องกรรมรูไมกเพเื้อบุญเสื้อบาปเือนกัน คืบ่เสือ บ, บุญเสือ บ, บาป ค, คือบ่เสียผลของกรรมคือบ่อเสือผลพระธรรมปสองค์ออันนี้เปไปยิ่งนกเขาทันเจตุลเจริญุศิพาปีมัมดฤอษีกันกเอนกตัวเดียวสัต่ะลูกแล้วลกพอใจกันระเบิดึ้นไงระเบิดขึ้นวันยิ่งนกเขาเี่โอ้ยไปโรกพยาบาลเกียวเพราะท่าน น, านั่นคักพันญังยังรักษาอยู่ตลอดเสมอ เดี๋ยหกปีนะอันนี้ส่เบตเอียนถ้ามานไเอ็นจินเวสราลงท้องวันนี้ต้องในแวกเอาทั้งผิดแม่ น, น้ำกำไรก็เป็นโรคถุงน้ำดีเป็นนิ้วนี่ปต่กวดโรคเขาจ็งัดสายยางเขาเนี่ยตาเนีพยคนัไปออกจอเขาคนเนี้ยเมื่อกี้กันอันเดียวกันกับเอียนจินเวสเหลือส่วนหกนึ่งคน นั่นขับกันยังอั่นี้งครับแต่อายุายี่สิบเขาว่าอายุยี่สิบไงสิกออกมาความเป็นบา้าผมป ง, ปงเป็นเน้นอยู่เป็นเน้นอยู่สามภาษาเป็นภาษาภาษาหนึ่งซิกออกมาจะบวชขังคู่บ่าวเมือ่อไหร่เมื่อไงไปจยกง้อซอยอ้ยเด้อเท่าเอ้ประทัง สูนกำลังแห้งพวมนุงมาสั่นไอ้แบกเพืงพูนึงมาสั่นอ้กระชือเฮดซอยน้ำเยอดอกสั to ot. To ot ot. Ot ่สิไปจิ้งเขาน้ำไอ้จะได้มาสั่นไอ้ผูกไว้หน้าผลว่ามีอะไรเขาคอกาสั่นบักหนึ่งมันถอกหนอกไ่ทอยังหนี่วมาสั่นมันอยากส้นเขามาสั่นมันตอดแกไปตอนทอยไอ้ได้มาสั่นไปจับซอยที่สิบอหลกสร้างตอนมีเท่าไะไอ้สู้มันผู้ออกเผน ปูกระิซอยสูยโดอกาน้กินเขาน้ำไอ้หน้าผลก็ได้ไกบ้านประมาณสักกิโลหนึ่งว้มามอดักเขาจะกินที่บ้านเพราะไปร้อนแรงร้อนง่ายเขาลำบากพราะฉะันปวดไปนะหลานเขาว่ะเขา้องว่าตแห้งผู้ดังเป็นแงบเป็นแงบเพราะก็พึ่งผู้นั้นะละพึ่งกับหุ่นเดียวกันถนัดงเมื่อน้อยก็ทอกับกบโตนี่หละจนถึงแม่เขาไปแล้วไป กินเขาละไเฮ็อยงไละเียวนี่มืม่อมกี้สีง้วตายยักกระอร่อยก็ค้องใส่ตะกอเอาขาแคบแคัณวโม่เพื่นกันยังหลายอยู่เนี่ยเน่ยถ้ากัค้องเอาเขาแคบคล้อเอาเขาแคบแล้วก็ดมูโตกะจะก็เห็นตัวส้นเข้าขอาเขาคุ้ยตีว่ากวงางกอไก่ตายยักษกระดองคนมาหนอก <c oughs> ทิมบ่วงใส่ขามันตีเอาไม่ตีขามันชกขาขึ้น ช, ก ข, ขนชกขาขึ้นมันเรียบรล้วมือบ่วงซักขา เทงมึงนาซักขาอีกะนั่ขาลงกับลบค่าแคบแล้วไงน้มข่าแคบกับพูดเลคมหนอกคบยันไงซาลาผัดมูเขาก็ซอยหงนะเขาก็บบ้านนี้ผูกคดหมูเลยบ้านนี้นอนข้าแคบเรื่นี้คมหนอกซอยกับประเนสร้างตอนกับมาแล้วบานไหนมาตอนนีดึงลูกอันทามันออกมาผีเท่เลยพี่เอาขี้มันขี้มนี่ขีมัขีมนนี่ ล his his plate, e gesture, gestures, fingers, <talk> ิมของเขากับมาท่ามั่นเนี่ยแล้วก็จุกจุกจสีมันเกียวเก็บตัวแล้วข่นี่ยฮู้โอ้โอ้ฮู้โอ้บาดมันเก็บมันเนโอ้ล้โอ้นะไปว่าให้มั่นเนย่อมันเนีนถือไปขอสนุบมัอนเขาบักกิโลไว่าสั่นมึงยัดตุกิโลลายมาสั่นคำว่าทับขำมึงมึงไปเพียวซ่นเขาว่าสั่นมึงบอบคล้ายบวออกอ่ะสั่นเนาะมึงไงอ่ะสั่น มันแปลงหูแปลงสมให้มึงดอกเท่าเอ้พี่สันมึงแค่ตีขี่รตายมึงหลายพี่สันเขาเอามือจุกๆสิมันอ่อนสมำขัวนะเขาขวัญตีรพานี่เพ่งใจเลยอู้อโอ้ก็เลยถือเป็นของสนุกระหว่เนีไงถือเป็นของสนุกบักคีโรย่างเนี่ยย่างนี่ว่าเหรอมันเขาคนจะแปลงหูแปลงสมให้มึงดอกเขาสันกระตัวเดียวท่านน่ะในที่เลยการจับซ้อยเขาคักตัวเดียวท่านน่ะ อยู่มากอยู่มากสองพันหรอยยี่สิบสองคนแต่อายุยี่สิบได้อายุยี่สิบกับสองพันห้ารอยยี่สบสองมันกับว่าแปลงหูแปลงสมัยโตถ้าทะแลที่แล้วก็แซงออกมาแซงออกมาท่อนี้เนี่ยเออท่อนี้มาขามเนี่ยปวดเอายาใช้มาสันกับบเอายาใช้มาสันมากินกับบบอเศร้า คอยแซวมาแอามาแอาม า, า, ม า, า, มาจนหูกลวงนี่ก็จะเมือนี่ก็ยังมันหายอย่างนี้นี่ใสเ็มกัดของูอะย่างนีนนงน้นี่นี่ข็มกัดขงูใสไว้เนยนั่นเวท น, นั่นอ่าไม่นําทั้งไตกระวังน้ากลนเห็นว่าเหตุจางไหสิว่าเสืรรเ้กบบอกำเสเวีนก็พรว่าราสะก่นอนเราสะสนี่หไปมันเห็นผองแห้งขันเทาเข่าูาพในย่าานไวสัก็แล้ว ขันเ่าย่าเขาสูพระในพัดมันก็ตัมมาถึงกุศนะ่านัน่ยเม่เห็นพระองค์เจ้าห้องวะไปว่างยาเขาเพชดคนไข่ตายเพระองค์เจ้ายังบันดาลนยไปซันงวงวอนข้างหนายจุนับมันถะับมันบุตรดุเนี่ยนะัดเทพเนี่ยจอดไปเมื่อกุชีนาราพระองค์เจ้าห้องเป็นเรื่องงยตังงวดตั้งขว่ยจะสัตวก้ๆจะสามอาไรไม่รไปตอกยางปิงมาสั่น ตอกยางพิงคือปิ้งมันกันมัวัดควายมันขึ้นไปทังนั้นมันอิ่มมันอิ่มแล้วมันตกลองตกลงหพระองค์เจ้าฮะน่แหละมาไปเสียบไปเสียบนี่ึงถึงมาพีฮะนี่ถึงมาพีกับตอกยางพิงตากแดดไว้เฉยมุ่งหอเค่อยเฮเด่อยุตเฉแม่นบอกฮนี่ว่าพระองค์เจ้าหอกกับบรนดาลได้ไปนี่พานดูุนั่งนั่งห้างทั้งคูนี่ นี่นี่ต้นนหนึ่งก็ข้างมาโค้งใช่กันนั่นเหรอแล้วเอาเตียงไปว่างไว้นี่ <laughs> เตียงไว้ว่างไวน้นี่นี่ก็ข้างซ่วนี้กับวัฒง์ระดูการมันก็ออกดอกออกยางมามูซาพระ อ, องค์เก่าพระ อ, องค์เจ้าตอกยางปีมมาจำนั่นอะโมนี่มีอยู่แน่ตั้นหนังสือเล่าเขานังสือไทยมาเห็นเนาะมีนี่หนังสือมางองอมางองอห <laughs> นึงสือต้มนั่นเออล่ะมันี่เอาเองกับเอาซากหน่อ มุโสจเอาอย่งก็เอาสักหน่ะเดียเ็นทั้เที่น้ามานี้เนาะนัสื่อหายสักให้ักนักซสื่อชื่อว่าประวัติมุโสไร์อเปล่าพูดได้ได้เยกมือขึ้นพูดได้ว่าทาได้เออมวยมวยดีมวยดีนัสื่อหายสักส่นอาสิเอาตังค์จับถักจอบหรือสิเอาตังค์ อข อ, อเอาวะซอขอซอเอาว า, า น, นไม่เอามชา่วจาพรจ้จงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีดาเป็นผู้ใจถึงในทางทาชั่วะพเจ้าจงทำเก็บให้มังในการนักชั่วทาดีเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายพระพุทธเจ้าว่ารูเลวยาเดอร์วะรูเลยวยาเดอร์ยาเดอเสี้ยวสวัส รูลแล้่วยักษ์ตา่างว่ารูมันจะเป็นเปโตโถ่เพรนเน่าในหมอ้อเออเอ่ะแยกกันนี่เราเอเอ้เออเอ้าทา่านสาวโว้โอยอาภาชีวันม า, ามหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพรุทธมารถุติเจ้าชั้นที่สองพอระปฏิเจชั้นที่สามพระธรรต า, าศีลาศุปชั้นที่สี่พระอนาคามีชั้นที่ห้าพระสกทาคามีชั้นที่หกพระโสดาวันพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อพวกเราทั้งหลายจะทําผิดท่านโดยการยังคำสามคำจีคําสีมโนคําสามมาแต่พวกก่อนก่อนก็ดีนะปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีให้พระมหาเทระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงกระท้วนให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อไมีประมาณผลทุกข์ท่ายพวกเราทั้งหลาย จงกระสุดแต่ความสุขคนามเจริญในบวรใพุทธศาสตร์ะขอพระพุทธมาทรงพระเจ้ายิ 50, source, ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกอย่ชอบอยู่ทุกเมื่อถึในระหว่างพวกเราทั้งหลายทั้งที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีทั้งทางไตรโรกา่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกันด้วยกายกับคำสามวิจีกรรมเสียมองดูคำสามมาแต่พวกก่อนก่อนก็ดีนะปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกชนหน้าทั้งทางไตรโรกา่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกชนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อ คนทุกชาติพวเราทั้งหลายทุกต้นหน้าทรงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพรพุทธศาสนาของพระพุทธมาถงพระพุท ธ, ธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกดจชอบโดยด่วนทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อถึออ ง, งห้หงางจงแห่ฮีเปรเมทองเนตวังยัตยาภาปังกระตังกรรมังกูตะเรนภัยญติโกวังโลกังมะพาเชียรย์พรมตัวฉันเทวาพิวาสะนะ